ข้อที่7ปัตตฏานุโมทนาใหม่ทำบุญด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญคือปล่อยชื่นชมยินดีหรือแสดงความยินดียอมรับเห็นชอบในการทำความดีคือในการทำบุญของผู้อื่นเมื่อเขาทำบุญทาความดีเราก็ปล่อยชื่นใจอนุโมทนาด้วยอย่างสมัยก่อนนี้เวลาญาติยมไปทำบุญที่วัด ก็อาจจะเดินผ่านบ้านโน้นบ้านนี้พอเดินผ่านบ้านนี้เห็นคนที่รู้จักกันก็บอกว่าฉันไปทำบุญมานะแบ่งบุญให้ด้วยบ้านที่ได้ฟังก็บอกว่าขอโมทนาด้วยนะนี่คือกติปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาบุญนี้เป็นการฝึกนิสัยจิตใจให้เราพลอยยินดีในการทำความดีของคนอื่น ไม่คึงเคียร์ธริษยาวือหมั่นไส้แต่ให้มีจิตใจชื่นบานด้วยการเห็นคนอื่นทำความดีเมื่อเราพลอยชื่นบานกับการทำความดีของคนอื่นอนุโมทนาด้วยเราก็ได้บุญด้วยนี่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา